ครับนพสแกนท่าหลวงตาครับถ้าพูดถึงความเข้าใจกผมคิดว่ามีความเข้าใจพอสมควรตั้งแต่ตั้งแต่ไปที่วัดอัตลบนะครับได้เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังหลวงตาแล้วก็แล้วก็ได้พบได้ฟังมาเรื่อยๆแล้วก็ฟังจากจากซีดีจากอะไรเนี่ยก็ ในเรื่องของของความรู้ความเข้าใจเนี่ยก็เข้าใจคิดว่านะครับเข้าใจพอสมควรแล้วก็อยากจะทบทวนให้หลองตาแล้วก็เผื่อว่ามันอาจจะติดผิดพลาตรงไหนบ้างนะครับคือการนึกคิดปรุงแต่งหรือการสังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของของมนุษย์ที่มันเป็นการทํางานระหว่างขันห้ากับเจตสิก แล้วก็บิญญาณที่เข้าไปรับรู้หรือกคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีกุศลอกุศลนะครับทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆแต่ว่ามันจะมีปัญป ญ, ญาพิจารณาเรเรียกว่าสติมีปัญญาพิจารณาเห็นการสังขารเหล่านั้น ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับเมื่อเราเห็นเรามันมันก็ดับไปเองวางไปเองนะครับแล้วก็มีผู้รู้เข้ามารู้ถึงการสังขารปรุงแต่งเหล่านั้นรู้ด้วยความบริสุทธิ์รู้ด้วยควา ม, ว, ว, ามว่างไม่มีตัวตนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มันมันก็จะ เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะว่าการนด้คิดปรุงแต่งควอนคิดเนี่ยมันมันไม่ได้หยุดเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่มาปรุงแต่งอีกแล้วเราก็มีปัญญาพิจารณาเห็นเห็นมนแล้วมันก็วางว่างลงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทีนี้ในชีวิตประจำวันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามีปัญญาพิจารณาครับเราก็จะเห็นเอาคิดอีกแล้วนะครับมีสังการสังการปรุงแต่งอีกแล้วแล้วมันก็วางลงนะครับ คือพอนานเข้าทีเข้าวันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเห็นไวขึ้นมันเห็นไวแล้วก็วางว่างได้ไวนะเท่าเท่าที่สังเกตดูมันจะรู้สึกว่าสติมันมันเข้มแข็งแล้วมันจะรู้สึกว่าดูทันแล้วก็วางได้เร็วเพราะนั้นมันก็รู้สึกว่าจิตใจเราก็ปลอดโปร่งโล่งโล่งดีนะไม่มีอะไรมารบกวน ความจริงมันก็มีแต่ว่าเรารู้แทนแล้วมันก็หายไปนะครับประเด็นในแต่ละวันเนี่ยเราคิดปรุงแต่งไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวแต่ว่าเราก็เห็นมันเห็นมันตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ทีนี้ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยเรื่องเล็กๆการไดกคิดปรุงแต่งทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น่าเรื่องลมฟ้าอากาศที่มันบ่นพึมพำกับตัวเองนะฮะหรือว่าผู้คน หรือว่าเรื่องราวปัญหาที่มันเกิดขึ้นฝนตกน้ําท่วมพอดีที่บ้านน้าท่วมบ่อยและท่อมันตันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมันก็เป็นเรื่องไงมันเป็นเรื่องรู้สึกว่ามันจะเขนแล้วก็ง่ายที่จะวางแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆมันมันมันมีเหมือนกันนะว่าประตูส่วนเนี่ยมันมันมันวางได้แต่ยากหรือว่าใช้เวลานานเช่นราคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยราคะ แต่โทสไม่ค่อยมีราคาหมายก็ว่าทางหูตาจมูกลิ้นกายที่เราสัมผัสแล้วมันเกิดความพึงพอใจอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความเคยชินอย่างเช่นชอบดูทีวีชอบดูหนังดูละครอะไรต่างๆบางทีมันมันก็ใช้เวลานานที่จะวางที่จะวางแต่ก็รู้นะครับแต่ก็เห็นเห็ น, นเหนมือนการเห็นการปรุงแต่งมันนะครับ เพราะนั้นผมผมก็เชื่อว่าถายหลายคนก็มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ผ่านผ่านไปได้ผมก็คิดว่าต่อต่อไปถ้าเราเห็นมันบ่อยๆเท่าเนี่ยเราก็จะผ่านมันได้เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็ทำงานบ้านไปหลังจา ก, กเกษียณแล้วทำงานบ้านไปแล้วก็ก่อนนอนก็เดินจงกรม ชั่วโมงหนึ่งแ้งสองชั่วโมงแ้างเดินทุกวันแล้วก็สวดมน์นะครับแล้วอยู่กับปัจจุบันที่ว่าเนี่ยก็รู้เห็นความคิดการด้คิดปรุงแต่งการสังขารอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันครับที่หลวงตาูุกูันนุษยเนี่ยยบวิทูลพอจะ จะรู้จะเห็นเข้าใจบ้างไหมเข้าเข้าใจออยังไงเข้าใจยังไงเราเราก็เห็นได้เห็นม้างไหมได้รู้บนางไหมก็คือคือคล้ายๆกันนอะคือเห็นการมันสิ่งที่เราความคิดมันสังขารกันขึ้นมาอะไรต่างๆเนี้ยแล้วมันก็ผ่านไปนะครับว่าเห็นเห็นแล้วก็วางแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ยังมีทูลยังเอาตัวเราไปเป็นผู้เห็นแต่ไม่ได้เห็นตัวเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราคือยังเป็นการปฏิบัติยังเอาตัวเราเนี่ยไปกดไปเห็นเอาไปรู้ลาปล่อยวางแต่ไม่ได้เข้าก็มาปล่อยวางตัวเราผู้เห็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นแล้วก็มาพูดเอาภาพอยู่ในใจมันไม่ได้ะปล่อยวางตัวเราแต่เอาตัวเราเนี่ยปฏิบัติ เพียนใ้ตัวเราเป็นคนดีตัวเรานั่งธรามาที่ตัวเราเดินจงกรมตัวเราวดมนไหว้พระตัวเราเพียนได้มีสติตัวเราเพียนไอ้อยู่ในศีลในธรรมตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยคือรักษาตัวเราให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแต่เรายังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราจริงๆเข้าไปจริงๆเลยแต่ตัวเราไปปล่อยวางสิ่งที่ ค่อยๆตัดร่อนสิ่งภานอกออกมาค่อยๆตัดกิ่งก้านสาขาออกมาเข้ามาเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ถุดละกุดล่าตอนโคนคือความ ร, รู้สึกเป็นตัวเรายังไม่ได้ขุดล่าตอนโคนเข้ามาเข้าใจไหมเนี่ยแต่ตอนตอนที่เรารู้สึกว่าโ<ช>ยมมีทูลยั ง, งงงๆวะเนี่ยติลุงตาพูดอต่ทํางในงงนเครื่องหมายเครืจีมาร์กเต็มเลยอย่าเอาข้าไมส้สีเขียวให้ท่านให้ให้ใหใหใหพระออดช่วยช่วยหลวงตาได้ดูดิ mm hmm. ลองดูให้ลำเผือะช่วยกันได้ ไอ้มันจะได้ไปไได้พอแยกเสื่อมพิจิ ng ตรงตรงที่ว่าพอเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นการสังขารแล้วแล้วมันมันวางมันเองเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ไปวางมันมันวางมันเองเพราะเราเห็นมันไงแต่ถ้าไม่เห็นมันก็คงปลุงไปเรื่อยเลยแต่ที่พอเราเห็นปั๊บเนี่ยด้วยปัญญาพิจารณาเนียอาจจะเรียกว่าสติก็ได้เนี่ยพอเราเห็นปั๊บมันก็วางมันเองเนี่ยตรงนี้นะครับผมไม่ได้วางแต่ว่ามันวางเองเพราะเราเห็นแล้วมันก็วางมันเอง เราไม่ได้คิดต่อมีสุขใจเข้าใจตรงกัน <c oughs> แ น, น่เข้าใจการปฏิบัติอย่างนั้นก็ถูกแล้วไม่ใช่ผิดนะคแต่เราพิจารณาดีเนี่ยเราพิจารณาแล้วว่าอย่างเนี้ยเหมือนของที่อยู่ต่อหน้าลงตาเนี่ยคัไ <c oughs> ม่ลงตาฉันไม่หมดเนี่ยตอนเข้าปาหน้าอะไรม่ให้ต่างหลายเยอะแยะลงตาพิจารณาแล้วมันก็ควรจะพอแล้วเราก็มากเกินไปเพียงแค่มันทางชีวิตอยู่ได้ ครับก็พิจารณาแล้วก็วางไปมันวางของมันเองคือเห็นว่ามันพิจารณาแล้วมันไม่มีสาระแกนสารมันมากกว่ากันไปก็วางไปครับแต่มันมีใครมันมีใครอยู่เบื้องหลังในการวางมีใครมีตัวเราเรายังไม่ได้ปล่อยวางตัวความเป็นตัวเราไปครับือนนี้มันจะเผลอมีตัวเราอยู่ตรงนั้นอีกใช่ไหมครับ ใช่ใช่ได้มันมีตัวเราไว้อืมครับมันมีตัวเราผู้วางตัวเราผู้วางผู้ผู้ผู้วางตัวเราผู้ปล่อยผู้ละผู้วางตัวเราก็ต่อจนี้เราก็เป็นจะเป็นคนดีเหมือนเหมือนกับว่าเจตนาจะวางใช่ไหมใช่ใช่เจตนาจะวางซึ่งควจริงไม่ต้องเจตนาเป็นจะวางเองแต่ที่ที่ทําอยู่นั้นเหมือนว่าเจตนาวาง มีตัวเราเจตนาที่จะวางใช่ไหมครับ <c oughs> ที่ว่ามีตัวเราเนี่ยครับมีตัวเรามีตัวเรา <c oughs> มันมีตัวเราเดี๋ยวจะทํำยังไงนึงนะ่ะเนี่ยต้องพูดกับว่าออสอยู่อกี้พูดในห้องตรงเนี้ยว่าเออไ อ, อ, อ, อตรงเนี้ยคือมันมีตัวเราไปวางแต่ยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเรา <c oughs> ตัวเราได้วางแล้ว แม่แต่พอลุงตาพูดอย่างนี้โยบิโตก็จะบอกว่าเออใช่ใช่่มันมีเจตนาไปวางเราจะต้องไม่มีเจตนาไปวางสุดท้ายมีอะไรอีกมีเราอีกอะเออมีเราเจตนาอ๋อเมื่อกี้ผมปิดไปผมไม่มีเจตนาไปวางเอาแต่ผมก็ไม่มีเจตนาไปวางแล้วก็คือเอาตอนนี้ผมไม่มีเจตนาแล้วตอนนี้ผมไม่มีเจตนาไปวางแล้วมีผมอะมีผมมีตัวผมอะครัถ้าเราเห็นความรู้สึกว่ามีตัวเราหรือตัวผมตัวผมตัวเราตัวผมตัวผมเนี่ย เราเห็นว่าตัวนี้มันเป็นความปรงแต่งเป็นความคิดเป็นความปรุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวผมเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งเป็นปรงแต่งึ้นมาเป็นความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวผมตัวผมตัวผมก็เห็นตรงเนี้แล้วเราก็ปล่อยวางมันไปไม่ไม่เอากลายเป็นว่าเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นตัวหมกมุ่นคุณคิดเป็นตัวผมตัวผมจริงๆแล้วก็ผมพยายามไปวางอะไรแล้วผมพยายามรักษาตัวเองให้ให้เป็นคนกวางไปโดยไม่ไม่มีเจตนาที่จะคิด ให้มันคิดกันมาเองแล้วก็เราก็เป็นคนแล้วก็รู้เห็นว่าเนี่ยมันคิดกันมาเองแล้วเราก็เป็นคนรู้มันว่ามันคิดกันมาเองแล้วเรามีเจตนารู้แต่ผู้รู้ที่ไม่มีเจตนารู้เนี่ยมันเป็นตัวเราอีกเราจะต้องฝึกไอ้ตัวเราเนี่ยตัวเราตัวเราให้ตัวเราเนี่ยไม่มีเจตนาเนี่ยมันมันก็พิการฝึกตัวเราพยายามรักษาตัวเราอะไรเงี้ยไม่ทราบจะเข้าใจไหมอันนี้มันอันนี้มันละเอียดขึ้นอีกเข้าใจรู้ไกลใหม่ใหม่ เดี๋ยวมาออดไปตัดต่อมันตัดยากเข้าใจเข้าใจครับเพราะแต่ว่าเวลาเวลาพูดเนี่ยเวลาพูดเนี่ยถ้ามีคําว่าตัวเรานิดหนึ่งเนี่ยมันติดเลยใช่ไหมครับมันมันไม่ใช่เราไปวางมันไม่มีตัวเราไปวางแต่แล้วถ้าเราพูดเราก็วางเนี่ยมันมีตัวเราอีกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ ดัการวางตรงนี้ต้องเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมครับหมายความันมันมันไปพบความว่างไม่ไปพูดคำว่าพบก็ไม่ได้มันเปว่างมันเองว่างก็คือวางเนี่ยวางก็คือว่างใช่ไหมครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตกำลังพอจี้แล้วกําลังเล่งเล่ง เนี่ยเหมือนเหมือนคุยคยกับเหมือนคุยกับพระออดเวลาพระจี้เราจะเล่งเราเราเล่งก็จะมีตัวเราไอ้ตัวเราตัวเราจะพยายามทำควาเข้าใจให้ได้มันมีตัวเราขึ้นมาเอาพระว่าช่วยหน่อยสิว่าไงฮะจะได้เข้าใจไปได้วยกันมาด้วยกันเนี่ย <c oughs> มาด้วยกัน <c oughs> คือตามที่ฟังมานี่ยนะ <c oughs> เบื้องแรกมันจะมีตัวเราแล้วไปจะไปวางอะไรก่อนนะพอวางเสร็จแล้วเนี่ยโอเคไอ้นั้นมันวางไปแล้ว แต่มีตัวเราเป็นผู้วางมันก็ยังมีตัวเราทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเห็นเห็นไอ้ตัวเราผู้วางเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าอ้าวนี่มันตัวปลอมก็ต้องวางอีกทีนึ่งพอเห็นแล้วต้องวางพอวางเสร็จแล้วอ้าวทำไปทำมามันก็ปรุงขึ้นมาใหม่อีกเฮ้ยเราวางได้แล้วไปวางตัวเราไอ้ตัวปลอมตัวแรกใช่ไหมแล้วก็พูดขึ้นมาใหม่อีกอ้าวเราวางได้แล้ว ตรงเนี้ยก็มีเราอีกเป็นคนพูดพูดในใจใช่ไหมหรืออาจจะพูดให้คนอื่นฟังก็ตามเหอะนั่นแหละก็เป็นตัวเราอีกที่พูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไปเห็นตัวเราที่ผู้พูดหรือผู้คิดเนี่ยอ้าวเห็นแล้ววางวางหมดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาโดยเฉพาะปรุงในรูปของความคิดเนี่ยที่มันพูดในใจ เ, เห็นมันแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับว่าปล่อยแบบไม่มีผู้ปล่อยอ่ะ เห็นแล้วก็ผ่านผ่านผ่านผ่านเพราะเราเข้าใจในหลักธรรมแล้วเนี่ยว่าหลักธรรมเนี่ยขั้นปล่อยวางขั้นสูงสุดเนี่ยคือเห็นตัวเราที่เป็นผู้คิดผู้นึกเนี่ยแล้วก็มันจะคิดจะนึกยังไงก็แล้วแต่ก็เห็นมันผ่านผ่านผ่านผ่านก็ไม่มีผู้ปล่อยไม่มีผู้วางเพราะมันเป็นมันเป็นสังขารปรุงไปเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เนี่ยความรู้สึกตอนนี้ก็คือไม่มีทั้งผู้ปล่อยไม่มีทั้งผู้วางก็ไปอย่างเนี้ยไปอย่างเนี้ย พวกพูดหมายพูดหม่ยทำแล้วพูดหม่จะได้เข้าก็ก็หมายก็ว่าพอเราเห็นมีมีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วเนี่ยอมันก็ผ่านไปโดยเลยโดยเราไม่ได้บอกว่าเอ้ะเราวางแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไมครับมันมันก็เห็นแล้วมันก็ผ่านไปเลยเป็นเรื่องเลื่อนไปแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าหรือไม่มี็นเจตนาว่าเราเป็นผู้วาง อย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นผู้วางเอ่อจดไม่มวลในมวลอะไรเอาเอาเอาเป็นว่ามันจะปรุงยังไงก็แล้วแต่มันจะปรุงว่าเราเป็นผู้วางหรือไม่ใช่เราเป็นปรุงผู้วางอ่ะแต่เนี้ยคือสังขารทั้งหมดชุดเนี้ยครับแต่มันไปเห็นสังขารเห็นสังขารใช่ไหมเออมันจะมีตัวจะเรียกว่าตัวรู้ก็ได้ตัวสติปัญญาก็ได้เห็นว่าสังขารเนี้ยมันมันปรุงไปไม่จบไม่สิ้นอ่ะ ก็เห็นเห็นเนไม่ว่ามันจะปรุงว่าเราวางได้หรือหรือมันไม่ปรุงว่ายัางไงก็แล้วแต่มันก็ให้เห็นตรงนั้นแล้วก็แค่ผ่านไปเฉยๆผ่านลูกเดียวคหลว ง, งตาต้องต้องยังไงก็ที่ผมพูดไปเนี่ยหลวงตาต้อ ง, ต, องต้องชี้แนะด้วยนะว่าที่พูดนี่มันผิดหรือถูกยังไงเข้าใกันถูว่ามาด้วยกานไปด้วยกัน <c oughs> ช่วยกันเรือลําเดียวกันเอาน้ตช่วยหน่อย ขยายช่วยกันสิช่วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันกานมัดการจ้าเมื่อกี้พระอาจารย์ออดพูดหมายความว่าปัญญาตัวเนี้ยมันรู้เห็นทุกอย่างเลยแต่มันไม่พูดไม่บ่นไม่ว่าอะไรละมันรู้มันรู้รู้รู้ไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูดมาพูดซ้อนอีกก็แต่ว่าตัวตัวรู้ตัวสติตัวเนี้ยมันจะรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนว่าอะไรนะ ไม่ถือไม่สาไม่ถือไม่สาแต่มันไม่ใช่พูดนะแต่ว่าเรารู้รู้รู้เห็นเห็นเห็นเห็นรู้รู้เห็นเห็นเงี้ยก็ไม่บ่นไม่พึมไม่พำไม่ซ้อนจะเป็นเป็นขันห้าขึ้นมาซ้อนมาบอกมาพูดอีกก็คืออย่างที่ที่กาบที่หลงตาเมกี้นะคะว่าเงียบไปเลยรู้แล้วเงียบไปเลยเมื่อก่อนก็สงสัยเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ไม่เห็นไม่รู้ไม่บ่นไม่ว่าอะไรอ่ะแล้วจะอยู่ยังไง ลูกก็เลยเอาอย่างนี้เลยค่ะอ่มลูมันเห็นมันพูดมันรู้ไปมันอยู่กับตัวขันห้าตัวจิตตัวรู้ตัวสติตัวเป็นเป็นธรรมชาติที่ที่เราเห็นอายตนะทั้งหลายอะค่ะแต่หูจมูกลิ้นกายใจอ่ะแล้วก็รู้แล้วก็เห็นแล้วก็พูดแล้วก็พูดไปแต่ก็รู้ในสิ่งแค่ที่เรากระทบแค่แค่ตัวเราตัวจิตตัวกายตัวอะไรอย่างเนี้ยค่ะในสิ่งที่แวดล้อมตัวเราคือไม่ออกไปไปนอกตัวเราละคือมารู้ไหมเห็นเฉพาะในกายในจิตของเราแค่เนี้ย แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันที่หลวงตาพูดตะกี้บอกว่ามันมันแค่ว่ามันอ่าเพรงมันวางแล้วน่ะมันมีตัวบอกอ้าฉันไม่ไม่มีแล้วนะไม่มีทุกแล้วนะฉันรู้รู้ฉันพูดฉันอันนี้ตัวเนี้ยไปบอกอีกทีนก็คือคือก็รู้เฉยๆไปเลยไม่ต้องไปพูดแล้วเงียบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะหลวงตาอย่างเงี้ยค่ะตะกี้นี่ลูกก็เออประหยุดเลยเลยพูดไม่ได้เลยเออ ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะอืมแจ่มมากแจม่มก็เหมือนกับแบบรู้เฉยรู้เฉยอย่างเงี้ยค่ะไม่ถือไม่สารู้เฉยอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลับมาแค่สั้นนิดเดียวเองแค่รู้ค่ะนอกนั้นมันก็ไม่ไปอะไรกับใครละอืมตรงเนี้เจ้าค่ะไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะถูกแล้วล่ะถูกแล้วก็กแต่พยายามจะเดี๋ยว ก็ต้องพูดกันให้เขามันก็ต้องช่วยกันนะพูดจนกว่าจะเข้าใจกันนั่นแหละเพราะว่ามันต้องคือมันมันเอาภาษาใจมาพูดเป็นภาษาสมมุติมันเลยมันก็เลยต้องคือมันอย่างไงมันก็คือเอาสิ่งที่มันพูดไปได้ออกมาพูดให้ได้อย่างเงี้ยมันเลยยากรู้รอบรู้รู้รอบรู้คือรู้มันคิดไม่ได้ไงจะค่ะรู้มันปรุงไม่ได้ก็ยังใช้ภาษาสมมติรู้จริงจริงเนี่ยมันมันไอ้รู้มันเป็นธาตุเลยเป็นธาตุรู้จึงปรุงไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้อืาใช่แล้วก็ พอไปบอกว่ามีสภาวายย่ายังไงมันก็มันก็เลยมีสภาว่ายถูกรู้ได้ น, นี่พอไปบอกว่ามันว่างเอาก็ไปทําให้มันว่างซะอีกจะไ<า>พูดอะไรก็ผิดหมดเลยอ่ะคือมันมันบอกมันไม่มีจะบอกมันไม่มีน่าจะใกล้เคียงที่สุดมันไม่มีอะไรเลยนี่ถ้าไปบอกว่ามีว่างมันก็จะไปไปเอาว่างจะไป ม, มีรู้เฉยรู้เฉยแล้วจะไปทํารู้แล้วก็เฉย อีกพูดอะไรก็รพูดไ <ป S 2> ม่ออกเลยมันพูดไม่ออกคือจะเอาไอ้สิ่งที่มันพูดไม่ออกแล้วก็มันไม่มีเนี่ยจะมาพูดให้ให้คนเข้าใจได้ยังไงคือพอมันไม่เข้าใจมันยิ่งง่ายตอนนี้ยจะทําไงพูดให้เข้าใจแต่ก็ต้องช่วยกันเนี่ยพูดให้เข้าใ จ, ใ ห, า ใ, จให้ได้เพราะมันเอาสิ่งที่พูดไม่ได้มันไม่สามารถพูดได้แล้วก็มันก็ไม่มีด้วย ตัวใจอ่ะมันไม่มีตัวใจเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็ไม่สามารถพูดได้ด้วยแล้วมันก็ไม่สามารถจะคิดปรุงแต่งได้ด้วยแต่เอาสิ่งที่ไม่มีมาพูดให้กันฟังเนี่ยจะพูดยังไงตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องยากที่จะต้องขอโอกาส จ, จะ้ะค่ะวันนั้นก็คุยกันเรื่องว่าถามกันเรื่องรู้ใช่ไหมก็อธิบายว่าคนนั้นอะถ้าจะคุยเรื่องรู้เนี่ยค่ะคนนั้นต้องต้องมีสภาวะรู้อยู่แล้ว แล้วก็ใช้คําที่สมมุติน่ะมาแทนตัวรู้ตัวนี้ได้แต่ถ้าพูดไปแล้วมันก็จะหลุดออกไปซ้ายไปขวามันก็จะไม่เข้าใจอีกก็จะไปคิดไปนึกเอาว่าเป็นอันนั้นที่เขาไม่รู้ค่ะเขาก็จะไปยึดตัวที่เขาคิดอยู่รู้อยู่มาแทนตัวรู้นี้อีกนะคะมันก็จะพัดหลงไปเรื่อยๆค่ะคือจะอธิบายไม่ได้เลยต้องต้องรู้กันเองแล้วก็จะเข้าใจตัวรู้ตัวนี้ได้ค่ะตอนนี้เราทำย้อนว่าแล้วไอ้ที่รู้กันเองแล้ว แล้วทำไมพูดกันไปจนรู้กันเองได้จนตัางเลยมารู้กันเองได้แล้วมันพูดยังไงจะมารู้กันเองได้มันก็ต้องหายการพูดไม่พูดแล้วจะเข้าใจกันยังไงตรงนี้เนี่ยแต่ท่ายังไงจะพูดให้เข้าใจตรงนี้มันก็ยากซะอีกแกอย่างที่บอกกับบออดไปบอกว่าก็พูดจนหมดแล้วนะเนี่ยแล้วจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วเนี่ยมันก็นั่งเงียบมองหน้ากันอย่างเดียวพอถึงท้าก็นั่งนั่งเงียบมองหน้ากันอย่างเดียว เออเพราะมันออกไม่ได้เลยมันออกไม่ได้ผมพูดออกมาทุกประดงแต่งหมดอ่ะว่านั่งเงียบใช่ก็เหมือนกันก็เข้าใจเหมือนกันนั่งเงียบไปเลยนั่นแหละที่มันนั่งเงียบไปเลยแต่นั่งไม่ใช่ว่านั่งเงียบไม่รู้ไม่ใช่นั่งเงียบไม่รู้อะไรเลยนั่งนิ่งนั่งนิ่งไม่รู้เรื่องอะไรไปไม่รู้เรื่องก็อยู่กับรู้อย่กนั่งนิ่งเงียบไปรู้เรื่องก็มีเหมือนกัน โอกาครับเขาจริงเขาจริงผมผมรู้ผมเข้าใจอย่างเข้าใจพูดออกมาอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยคือว่าในตัวรู้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเป็นมันเป็นสภาวะที่ที่มันไม่มีตัวตนไม่มีชื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันอธิบายอะไรไม่ได้เลยซึ่งพอเราเอามาพูดปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีตัวตนเข้าไปทันทีเลยซึ่งตัวตัว ธาตุรู้เนี่ยมันบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปพูดใช้ภาษาสมมุติบรญจัิขึ้นมาพูดปั๊บมันจะมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องทันทีมันเป็นตัวตัวตนขึ้นมาทันทีมันก็ไม่ใช่มันไม่บริสุทธิ์ทันทีอันนี้ผมก็ใจแต่ว่าเวลาเราพยายามที่จะพูดจะอธิบายเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันพอพูดปั๊บมันเข้าข่ายเลยว่ามีตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นตัวตัวสุดท้ายเนี่ยตัวรู้ตัวสุดท้ายเนี่ย มันมันได้จะเป็นปัจจัยต่างที่ว่ารู้อยู่ในใจเราเนี่ยรู้ตัวเองแต่ว่าเวลาจะพูดอธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเบี่ยงเบนไปกลายเป็นว่ามีตัวเข้าไปรู้ตัวเข้าไปวางมีตัวตนขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเรามีพิจารณามีสติรู้การสังขารปรุงแต่งแล้วปั๊บเนี่ยมันมันก็จบตรงนั้นไปแต่สภาวะที่ตามมาเนี่ยมันมันอธิบายไม่ได้มันเป็น มันเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่มีตัวตนไม่มีฝั่งมีฝาอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นหนึ่งเดียวจั ก, กรวาลอย่างที่ว่ามันไม่มีอะไรพูดไม่ได้แต่เข้าใจในในความรู้สึกของผมนะแต่เข้าใจครับให้รู้วาออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งนะค่ะครับไม่ได้ปรุงแต่งครับให้รู้ออกมาจากใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ครับมันก็เลยเหลือแต่รู้ เหลือแต่รู้เหลือแต่รู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้รู้ออกมาจากใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นแต่รู้เป็นแต่รู้เป็นแต่รู้เหลือแต่รู้อยู่กับรู้อะไรอะ้รแต่ภาษาจะพูดมันมันเป็นรู้รู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นี่เนี่ยจุตตาก็อยู่กับรู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นแค่รู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้หรืออยู่กับรู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้จนกว่าจะแตกดับไปทําลายไปคือออกไปพูดเข้าเด่นจะมีตัวเราพยายามไปอยู่กับรู้อีก มีแต่ความรู้จะไม่มีตัวตนของผู้รู้มีแต่ความรู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้